อาศจันหลวงตาหลวงตาท่านออกจากวัดไปเยี่ยมโรงพยาบาลทุกวันทํางานส่วนวันเสาร์อาทิตย์ท่านไปเยี่ยมวัดต่างๆขนของออกจากวัดสงเคราะห์ให้ทุกแห่งทุกคนแม้กระทั่งคนขับรถนํำขบวนตอนท่านเดินทางไปเชียงใหม่มีคนเล่าให้ผมฟังว่าตํารวจที่ขับรถนําขบวนของท่านขับรถไปตามหน้าที่แต่ใจเป็นทุกข เพราะไม่รู้ว่าจะหาเงินให้ลูกได้อย่างไรวันเปิดเทอมใกล้เข้ามาจนถึงจมูกแล้วหมดขนทางจะหาเงิน 8,000 บาทหลวงตาท่านนั่งรถตู้ตามมาเป็นคันที่สองท่านคงพิจารณาเห็นความไม่สบายใจของคนขับรถนาขบวนท่านสั่งให้จอดรถข้างทางคนสงสัยว่าท่านสั่งให้จอดทำไมท่านให้คนนำเงินไปให้คนขับรถคันหน้าคนละหนึ่งบาท ผมไม่เคยสงสัยเลยว่าหลวงตาท่านรู้ได้อย่างไรผมมีท่านอยู่ในจิตใจผมโดยตลอดทุกเวลาตั้งแต่เล็กจนโตใกล้เกษียณเข้ามาทุกทีแล้วผมอยู่กับท่านโดยตลอดผมเป็นผู้เป็นคนจนถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะความเมตตาของท่านท่านเคยพูดถึงคนบางคนว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่และอื่นๆผมยังแปลกใจและคิดว่าคงไม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้จึงได้เห็นชัดว่า เรื่องที่ท่านพูดไว้เป็นความจริงทุกประการผู้คนคงเห็นความอัศจรรย์ของหลวงตามากขึ้นเรื่อยๆคนใหม่ๆเข้ามากราบท่านมากขึ้นแถวใส่บาดหน้าวัดก็ยาวขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนเป็นโตะไม้เดี๋ยวนี้เป็นโตะสแตนเลสหลังคาอลูมิเนียมยาวจนถึงสะพานเกือบจะเป็นสองแถวแล้วน่าดีใจที่มีคนเข้ามาทาบุญที่วัดมากขึ้น จนบางครั้งสมัยท่านอาจารย์ปัญญายังมีชีวิตอยู่ท่านอายุมากแล้วฉันช้ากว่าพระองค์อื่นๆท่านยังฉันไม่เสร็จเลยโยมทั้งหลายลุกเข้ามารอบท่านจนท่านลุกไม่ทันเลย